วิธีสละภาพน้ำฝนที่เป็นนิสกีสละแก่สงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญภาพน้ำฝนผืนนี้เมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนกระผมแสวงหาแล้วเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าเกึงเดือนทำน่งแล้วเป็นนิสกี กระผมสละภาพน้ำฝนผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนภาพน้ำฝนที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าภาพน้ำฝนของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้ภาพน้ำฝนผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้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 พรั่งสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนงภาพน้ําฝนที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าภาพน้ําฝนของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้ภาพน้ําฝนเพลนินนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หอมอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับภาพน้ําฝนผืนนี้เมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนกระผมแสวงหาแล้วเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่ากึ่งเดือนทํานุ่งแล้วเป็นนิสกีกระผมสลากผ้าอาบน้ําฝนผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึแงแสวงหาบัดภิกษุผู้รักษ กล่าวว่ากระผมคืนภาพน้ำฝนเพลินนี้ให้แก่ท่าน